สรสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตโดยอารามานปัจจัยได้แก่พระอระหันต์ออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วเห็นแจ้งกุศลโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นกุศลด้วยเจโตปริยญาณ พระเสขาหรือปุถุชนเห็นแจ้งกุศลโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อกุศลดับแล้วจิตตุปปะบาทที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมบุคคลยินดีเพลิดเพลินกุศลเพราะปรารบความยินดี เ, เปลิดเพลินกุศล น, นั้นปราคาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทธจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัตจึงเกิดขึ้น เมื่ออกุศลดับแล้วจิตุปบาทที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารรมอากาสานัญจายตนะกุศลเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะวิบากและกิริยาโดยอารามานปัจจัยอากิจัญญายตนะกุศลเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะวิบากและกิริยาโดยอารามานปัจจัยขันธ์ที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณ ปุเพนิวาสานุตติยานยถากรรมมูปขยานอนาคตังสายานและอาวัชนจิตโดยอารามานปัจจัย40่้เจ็ดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอารามานปัจจัยได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้น ราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจ Saint ึงเกิดขึ aming, hatten, ้นอุทธจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ Mania ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินทิฏฐิเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินทิฏฐินั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทธจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ้น เพราะปราลบิจิกิจฉาวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอุทธะจึงเกิดขึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ้นเพราะปราลบุทธะอุทธะจึงเกิดขึ้นอิทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบโทมนัสโทมนัสจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทธะจึงเกิดขึ้น408 สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอารามณปัจจัยได้แก่พระเสขะพิจารณากิเลส ท, ที่ละได้แล้วพิจารณากิเลส ท, ที่คมได้แล้วรู้กิเลส ท, ที่เคยเกิดขึ้นพระเสขะหรือปุถุชนเห็นแจ้งอกุศลโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จิตของบุคคลผู้มีความพร้่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นอกุศลด้วยเจโตปริยญาณ ขันธ์ที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรร ม, มูปขยานและอนาคตังสยานโดยอารามณปัจจัย409สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตโดยอารามณปัจจัย แก่พระอระหันต์พิจารณากิเลสที่ละได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งอกุศลโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นอกุศลด้วยเจโตปริยญาณพระเสขหรือปุุชนเห็นแจ้งอกุศลโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เมื of of ่ออกุศลดับแล้วจิตตุปปาบาทที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตารรมบุคคลยินดีเพลิดเพลินอกุศลเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินอกุศลนั้นปราคาดจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิติกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุททะจึงเกิดขึ้นโทมนัตจึงเกิดขึ้นเมื่ออกุศลดับแล้วจิตตุปปาบาทที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตารรม ขันธ์ที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรร ม, มูปขยานอนาคตังสียานและอาวัชนจิตโดยอารามณปัจจัย410สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตโดยอารามณปัจจัยได้แก่ พระอรหันต์พิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่ผลและอาวัชนาจิตโดยอารามณปัจจัยพระอรหันต์เห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแจ้งโสตะละคานะละชิวหาละกายละรูปละเสียงละกลิ่นละรสละโพธพะละหทัยวัตถุละ ขันธ์ที่เป็นอพยากตวิบากและที่เป็นอภยากตากิริยาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นรูปด้วยทิพจักขูฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอพยากตากิริยาโดยเจโตปริยญาณ อากาสานัญจายญาณกิริยาเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายญาณกิริยาโดยอารามนาปัจจัยอากินจัญญาญาณกิริยาเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญาญาณกิริยาโดยอารามนาปัจจัยรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณโดยอารามนาปัจจัยสัทธายตนะเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณคันทายตนะเป็นปัจจัยแก่คาณวิญญาณ รส า, าญาณเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณโพธพาญาณเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอารามณปัจจัยขันธ์ที่เป็นอภิยากฤตเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยานปุเพนิวาสานุสติยานอนาคตังสยานและอาวัชนจิตโดยอารามณปัจจัย411 สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอารามณปัจจัยได้แก่พระเสขาพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรพภูโวทานและมรรคโดยอารามณปัจจัยพระเสขาหรือปุถุชนเห็นแจ้งจากสุดโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแจ้งโสตะละ ขานะละจิวหาละกายละรูปละเสียงละกลิ่นละรสละโผฏพระละหทัยวัตถุละขันธ์ที่เป็นอภิยาตาวิบากและที่เป็นอภิยากตากิริยาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นรูปด้วยทิปจักขูปฟังเสียงด้วยทิปโสตธาต รู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นอัพยากตาวิบากและที่เป็นอัพญากากิริยาด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นอัพยากริตเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยาญาณเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณและอนาคตังสยานโดยอารามณปัจจัย4๑2 สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดอยอารามณะปัจจัยได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุนั้นปราคาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทธจารจึงเกิดขึ้นโทมนัตจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินโสตะละคานะละจิวหาละกายละ รูปละเสียงละกลิ่นรละรสละโพธพะพระและหาไยวัตถุละขันธ์ที่เป็นอพัยยากตาวิบาและที่เป็นอพัยยากตากิริยาเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินโสตะเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทธจจะจึงเกิดขึ้นโทมานต์จึงเกิดขึ้ น, น, นอธิปฏิปจัย 413สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอธิปฏิปฏัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหัชาตาธิปติอารมนาทิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถ์แล้วพิจารณากุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณากุศลที่เคยสังสมไว้ดีแล้วให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น นอกจากฌานแล้วพ ok ah ิจารณาฌานให้เ ah ป็นอารมณ์อย ah ่างหนักแน่นพระเสกพิจารณาโคตรภูให้เป ah ็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาโวทานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นออกจากมรรคแล้วพิจารณามรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นสาหชาตาธิปติได้แก่อธิบดีธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยอธิปติปัจจัย สี่สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมมนาธิปฏิได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถยินดีเพลิดเพลินกุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินกุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นปราคาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น บุคคลยินดีเพลิดเพลินกุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินกุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นบุคคลออกจากฌานแล้วยินดีเพลิดเพลินฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเปลิดเพลินฌานนั้นให้เป็นอารมอย่างหนักแน่นราคาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาทิปติและสหชาตาธิปติอารมณนาธิปติได้แก่พระอาหารหันต์ออกจากมรรคแล้วพิจารณามรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นสหชาตาธิปติ ได้แก่อธิปฎิธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปฎิธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปฏิปัจจัย 4ี่สหสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอธิปฏิปฏัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาทิปติและาชาตาทิปติอารมณนาทิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น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 ได้แก่อธิบดีธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิบดีธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุติขันแจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปฏิปัจจัย416 สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตโดยอธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารมนาธิปติได้แก่พระอรหันต์พิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่ผลโดยอธิปฏิปัจจัยสหชาตาธิปติ ได้แก่อธิบดีธรรมที่เป็นอพยากตวิบากและที่เป็นอพยากตกิริยาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุติขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอยธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือคืออารมณนาธิปติได้แก่พระเสกาพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น พิจารณานิพ b a n ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพ b a n เป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานได้มักโดยอธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณนาธิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะทำความยินดีเปลิดเปลินจากสูนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นยินดีเปลิดเพลินโสตะคานะจิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสปโพภะอทัยวัตถุขันธ์ที่เป็นอพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกีดวิริยาให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินโสตะเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้น ทิฏิจึงเกิดขึ้นอนันตรปัจจัย4ี่สเจสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลซึ่งเกิดขึ้นก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นกุศลซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตระปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรตรพูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรตรูเป็นปัจจัยแก่มาร โวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอนันตรัปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอนันตรัปัจจัยได้แก่กุศลเป็นปัจจัยแก่พุทธะมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลอนุโลมของพระเสขะเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัตเนวสัญญานาสัญญายตนากุศลของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัตโดยอนันตรัปัจจัย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 สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอนันตรัปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอภิยาคตกิริยาซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอภิยากตวิบากและที่เป็นอัพยาคตากิริยาซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรัปัจจัยภวังคจิตเป็นปัจจัยแก่อาวัชนจิตกิริยาเป็นปัจจัยแก่พุทธนา อนุโลมของพระอรหันต์เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนากิริยาของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอนันตระปัจจัยได้แก่อาวัชนจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นกุศลโดยอนันตระปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอนันตารัปปจัยได้แก่อวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลโดยอนันตรปัจจัยสมานันตรปัจจัย418สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยสมานันตรัปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลตึจจ ja. ้งเกิดก่อน เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นกุศลตึ้งเกิดหลังเกิดหลังโดยสมานันตระปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรตรพูเป็นปัจจัยแก่มักโวทานเป็นปัจจัยแก่มักโดยสมานันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตโดยสมานันตระปัจจัยได้แก่กุศลเป็นปัจจัยแก่บุทฐานะมักเป็นปัจจัยแก่ผล อนุโลมของพระเสขะเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนาขุศนของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจ <c oughs> ัยแก่ผลสมาบัต <c oughs> ิโดยสมาันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยสมานันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยสมาันตระปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตโดยสมนันตรัปัจจัยได้แก่อกุศลเป็นปัจจัยแก่วุทานะโดยสมนันตารัปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตโดยสมนันตรัปัจจัย ได้แก่ขันที่เป็นอภยากตวิบากและที่เป็นอภยากตกิริยาซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นอภยากตวิบากและที่เป็นอภยากตกิริยาซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยสรรมนันตระปัจจัยภวังคจิตเป็นปัจจัยแก่อวัชนจิตกิริยาเป็นปัจจัยแก่วุฒนาอนุโลมของพระอรหันต์เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัต เนวสัญญานาสัญญายตนากริยาของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยสมนันตรัปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยสมานันตรับปัจจัยได้แก่อาวัชนัจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นกุศลโดยสมานันตรัปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยสมานันตรัปัจจัย ได้แก่อวชนจิตเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นอกุศลโดยสมานันตะปัจจัยสหาชาตปัจจัย4ี่สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยสหาชาตปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยสหาชาตปัจจัยขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งโดยสหาชาตปัจจัย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 ได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยสหัชชาตปัจจัยขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งโดยสหัชชาตปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยสหัชชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นหนับพยากฤตโดยสหัชชาตาปัจจัยได้แก่ขันที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานารูปโดยสหัชชาตปัจจัย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 สภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยสหชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานอรูปโดยสหชาตปัจจัยขันธ์สเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งและจิตตสมุทฐานอรูปโดยสหชาตปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองและจิตตสมุทฐานอรูปโดยสหชาตปัจจัย ในปฏิสนท nah, ี่ขณะขันหนึ่งที่เป็นอพยากตาวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันสามและกาตตารูปโดยสหชาตปัจจัยขันสามเป็นปัจจ sí, ัยแก่ขันหนึ่งและกาตตารูปโดยสหชาตปัจจัยข um ันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและกาตตารูปโดยสหชาตปัจจัยขันเป็นปัจจัยแก่หัตถยวัตถ да ุโดยสหชาตปัจจัยหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันโดยสหชาตปัจจัย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 มหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสาโดยสหัชชาตปัจจัยมหาภูตรูปสาเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งโดยสหัชชาตปัจจัยมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองโดยสหั well exactly. ชชาตปัจจัยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปโดยสหัชชาตปัจจัย มหาภูตรูปหนึ่งที่มีอาหารเป็นตมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสามโดยสหัชชาตปัจจัยมหาภูตรูปสามเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งโดยสหัชชาตปัจจัยมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองโดยสหัชชาตปัจจัยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปโดยสหัชชาตปัจจัยมหาภูตรูปหนึ่งมี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 สำหรับเ่าอสัญญาสัตต์พระมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแกม่มหาภูตรูปสโดยสหัชชาตปัจจัยมหาภูตรูปสเป็นปัจจัยแกม่มหาภูตรูปหนึ่งโดยสหัชชาตปัจจัยมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองโดยสหัชชาตปัจจัยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปโดยสหัชชาตปัจจัย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 ได้แก่ขันที่เป็นกุศลและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสัมปทานรูปโดยสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัรย420สสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอัญญมัญญัปัจได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอัญญมัญญัปัจ ขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งโดยัญญมัญญยปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยัญญมัญญยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยัญญมัญญยปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยัญญมัญญยปัจจัยขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งโดยอัญญมัญญปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยัญญมัญญยปจจัย สภาวธรรมที akers, ่เป็นอ like ัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอัญญามัญญะปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นอัพยาคตวิบากและที่เป็นอภิยาคตกิริยาเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอัญญามัญญะปัจจัยขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งโดยอัญญมัญญะปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยอัญญมัญญปัจจัยในปฏิตนทิณะขันหนึ่งที่เป็นอัพยาคตวิบาก เป็นป Systems, shall shall ัจจัยแก่ขันสามและหัยวัตถุโดยอนญญมัญญปัจจัยขันสามเป็นปัจจ um ัยแก่ขันหนึ่งและหัตถ a วัตถุโดยอนญามัญญปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและหัตถ a วัตถุโดยอนญามัญญปัจจัยขันเป็นปัจจัยแก่หัตถ a วัตถุโดยอนญามัญญาปัจจัยหัตถ a วัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันโดยอนญามัญญปัจจัยมหาภูตารูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตารูปสามโดยอนญามัญญปัจจัย มหาภูตรูปสาเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งโดยอนญญมัญญาปัจจัยมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองโดยอัญญมัญญาปัจจัยที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอสัญญาสัตยพรหมมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสาโดยอัญญมัญญาปัจจัย มหาภูตรูปสามเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งโดยอัญญมัญญะปัจจัยละมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองโดยอัญญมัญญปัจจัยนิตยปัจจัยสี่ยสเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยนิตยปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยนิตยปัจจัย ขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งโดยนิตยปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยนิตยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤะโดยนิตยปัจจัยได้แก่ขันที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยนิตยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยกฤตโดยนิตยปัจจัย แก่ขันหนึ่งที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตะมุทฐานารูปโดยนิสยปัจจัยขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งและจิตตะมุทฐานรูปโดยนิสยปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและจิตตะมุทฐานารูปโดยนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยนิสยปัจจัย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 สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภัยกฤตโดยนิสยาปจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สาและจิตตสมุทฐานอรูปโดยนิสยาปจจัยขันธ์สาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งและจิตตจิตตสมุทฐานอรูปโดยนิสยาปจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองและจิตตสมุทฐานอรูปโดยนิสยาปจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตโดยนิตยปัจจัยแต่แก่ขันหนึ่งที่เป็นอภิยากตวิบากและที่เป็นอภิยากตกิริยาเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตธรรมฐานรูปโดยนิตยปัจจัยขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งและจิตตธรรมฐานอรูปโดยนิตยปัจจัย ขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองจิตและจิตตสมุทฐานารูปโดยนิตยปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่เป็นอพยากตวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันสามและกตะตารูปโดยนิตยปัจจัยขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งและกตะตารูปโดยนิตยปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและกตะตารูปโดยนิตยปัจจัย ขันเป็นปัจจัยแก่หัตถวัตถุโดยนิสัยปัจจัยหัตถวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันโดยนิสัยปัจจัยมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสาโดยนิสัยปัจจัยมหาภูตรูปสามเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งโดยนิสัยปัจจัยมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองโดยนิสัยปัจจัย มหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตจมุทฐานรูปและกัตตารูปที่เป็นอุปาทานรูปโดยนิตยปัจจัยที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับลาวสัญญาัตพรมมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสามโดยนิตยปัจจัยมหาภูตรูปสามเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งโดยนิตยปัจจัย มหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองโดยนิตยปัจจัยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปโดยนิตยปัจจัยจักหายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณโดยนิตยปัจจัยโสตายตนะละคานายตนะละชิวหายตนะละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยนิตยปัจจัย หัตถ a วัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นอพยากตวิบากและที่เป็นอพยากตกิริยาโดยนิตยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤษเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยนิตยปัจจัยได้แก่หัตถ a วัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นกุศลโดยนิตยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นนกุศลโดยนิตยปัจจัย ได้แกห่หะไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นอกุศลโดยนิสัยปัจจัย422สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภิยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยนิสัยปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นกุศลและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยนิสัยปัจจัยขันสามและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งโดยนิสัยปัจจัย ขันสองและไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยนิตยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภพยากฤิตโดยนิตยปัจจัยได้แก่ขันที่เป็นกุศลและมหาภูตอรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยนิตยปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภัยกระดิเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยนิตย์ปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นอกุศลและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยนิตยปัจจัยขันสามและหัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งโดยนิตยปัจจัยขันสองและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยนิตยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภัยกระด เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริโดยนิตยปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่ติตะสมุทฐานรูปโดยนิตยปัจจัยอุปนิตยปัจจัย 4.23 สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอุปนิตยปัจัยมีสมอย่างคืออารมณูปนิตย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 พิจารณาโวทานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นออกจากมัคแล้วพิจารณามัคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นอนันตรูปนิสยะได้แก่ขันที่เป็นกุศลทึ่เกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นกุศลทึ่เกิดหลังเกิดหลังโดยปนิตยปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรตรูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรรูเป็นปัจจัยแก่มัค โวทานเป็นปัจจัยแก่มักโดยอุปนิสติยปัจจัยปกตูปนิสติยะได้แก่บุคคลอาศัยทถาแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นทำมักให้เกิดขึ้นทำมัิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลละสุตะละจาระละปัญญาแล้วให้ทาน สมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถทำฌานให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นรำมรรคให้เกิดขึ้นธรรมภิญญาให้เกิดขึ้นธทำสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาศีลสุตะจากขะปัญญาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาศีลสุตะจากขะปัญญาโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรมมาารมปฐมฌานเป็นปัจจัยแกป่ปฐมฌานโดยอุปนิสัยปัจจัย บริกรรมทุติยฌ า, านเป็นปัจจัยแก่ทุติยฌานโดยปณิตยปัจจัยบริกรรมตติยฌานเป็นปัจจัยแก่ตติยฌานโดยปณิตยปัจจัยบริกรรมจตุตฌานเป็นปัจจัยแก่จตุตฌานโดยปณิตยปัจจัยบริกรรมอาการสารัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่อาการสารัญจายตนะโดยปณิตยปัจจัยบริกรรมวิญญาณัญจายตนะเป็น ปัจจัยแก้วิญญาณัญจายตนะโดยอุปนิสติยปัจจัยบริการมากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่อากินจัญญายตนะโดยอุปนิสติยปัจจัยบริกรรมเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยอุปนิสติยปัจจัยปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ทุติยฌานโดยอุปนิสติยปัจจัยละ จตุทชานเป็นปัจจัยแก่อาการสานัญจายตนะโดยอุปนิสติยปัจจัยอาการสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่อากินจัญญาายตนะอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยอุปนิสตยปัจจัยปริกรรมที่ประจกขูเป็นปัจจัยแก่ที่ประจักขูโดยอุปนิสติยปัจจัย บริกรรมที่ปโสตธาตุเป็นปัจจัยแก่ที่ปโสตธาตุโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรรมอิทธิวิทยานเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรรมเจโตปริยญาณเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรรมปุเพนิวาสานุสติญาณเป็นปัจจัยแก่ปุเพนิวาสานุสติญาณโดยอุปนิสัยปัจจัย บริกรรมยถากรรมมู่ปัจขยานเป็นปัจจัยแก่ยถากรรมมูปัจขยานโดยอุปนิสยปัจจัยบริกรรมอนาคตังสยานเป็นปัจจัยแก่อนาคตังสยานโดยอุปนิสยปัจจัยทิพจักขูเป็นปัจจัยแก่ทิพโสตธาตุโดยอุปนิสยปัจจัยทิพโสตธาตุเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานโดยอุปนิสยปัจจัย อิธิวิทยานเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณโดยอุปนิสัยปัจจัยเจโตปริยญาณเป็นปัจจัยแก่ปุเพนิวาสานุสติญาณโดยอุปนิสัยปัจจัยปุเพนิวาสานุสติญาณเป็นปัจจัยแก่ยถากรรมูปขยานโดยอุปนิสัยปัจจัยยถากรรมูปขยานเป็นปัจจัยแก่อนาคตังสยานโดยอุปนิสัยปัจจัยบริกรรมปัธมก เป็นปัจจ er ัยแก่ปัทธรรมมรคโดยอุปนิสยปัจจัยบริกรรมทุติยมรคเป็นปัจจัยแก่ทุติยมรคโดยอุปนิสยปัจจัยบริกรรมตติยมรคเป็นปัจจัยแก่ตัตยมรคโดยอุปนิสยปัจจัยบริกรรมจตุธรมมรคเป็นปัจจัยแก่จตุธรมมรคโดยอุปนิสยปัจจัยปัทธรรมคเป็นปัจจัยแก่ทุติยมรคโดยอุปนิสยปัจจัย ทุติยมรักเป็นปัจจัยแก่ตติยมรักโดยอุปนิทตยปัจจัยตติยมรักเป็นปจัจจัยแก่จตุธรรมรักโดยอุปนิทยปัจจัยพระเสขอาศัยมรักทำสมาบัติที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นเข้าสมาบัติที่เกิดขึ้นแล้วเห็นแจ้งสังขารโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามรักของพระเสขเป็นปัจจัยแก่อัตปฏิสัสมพิทา ธรรมปฏิสัมพิทานิรุตติปฏิสัมพิทาปฏิพาลปฏิสัมพิทาและความเป็นผู้ฉราดในฐานะที่ไม่ใช่ฐานะโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณูปนิสัยและปกตูปนิสยะ อารัมมณูปนิจยะได้แก่บุคคลให้ทานตมาทานศีลรักษาโบสดแล้วยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเปลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราค้าจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นเพราะยินดีเปลิดเพลินกุศลที่เคยสังสมไว้ดีแล้วให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น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 ปัจตูปณิสยะเดกแก่บุคคลอาศัยศัท ธ, ธาแล้วมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลละสุตละจักขะละปัญญาแล้วมีมานะถือทิฏฐิศัทธาศีลสุตะจากขะปัญญาเป็นปัจจัยแก่ราคะโทสะโมหามานะทิฏฐิความปรารถนาโดยอุปนิสยปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอพยากฤตโดยอุปนิสตยปัจจัยมีสมอย่างคืออารามณูปนิสตยอนันตรูปนิสตยและปะกตูปนิสตยอารามณูปนิสตยได้แก่พระอาหารหันต์ออกจากมรรคแล้วพิจารณามรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นอนันตรูปนิสตยได้แก่กุศลเป็นปัจจัยแก่วุฒานะมร เป็นปัจจัยแก่ผลอนุโลมของพระเสขะเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายาตนากุณสนของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัตโดยอุปนิสตยปัจจัยปกะตูปนิสติยะได้แก่บุคคลอาศัยตัทธาแล้วทําตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรอนเสวยทุกมีการแสวงหาเป็นมูลอาศัยศีลละ สุตตะละจาะละปัญญาแล้วทำตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรนสเสวยทุกมีการแสวงหาเป็นมูลศรัทธาศีลสุตะจาะปัญญาเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายทุกทางกายและผลสมาบัติโดยอุปนิสัยปัจจัยกรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่วิบากโดยอุปนิสัยปัจจัย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 และมิใช่ฐานะโดยอุปนิสติยปัจจัยมักเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอุปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอุปนิสติยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสติยอนันตรูปนิสติยและปกตูปนิสติย อา ร, รมามณูปนิเตยะได้แก่บุคคลยินดีเปลิดเพลินราคะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเปลิดเพลินราคานั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นยินดีเปลิดเพลินทิฏฐิให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินทิฏฐินั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น อนันตรูปนิสตยะได้แก่ขันที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นกุศลซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยปนิสตยปัจจัยปกตูปนิติยะได้แก่บุคคลอาศัยราคาแล้วคาดสัตว์ลักทรัพย์พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้องัดแงะปล้นไม่ให้เหลือร้อนเรือนหลังเดียวดักจี้ที่กลาง ทางเปลวล่วงเกินภรรยาผู้อื่นฆ่าชาวบ้านฆ่าชาวนิคมฆ่ามารดาข่าบิดาข่าพระอระหันต์มีจิตประทุตรา้ายทำพระโรหิตของพระตถาคตให้ห่อทําลายสงฆ์ให้แตกกันอาศัยโทสะละโมหะละมานะละทิฐิล ะ, ละความปรารถนาแล้วฆ่าสัตว์ละทาลายสงฆ์ให้แตกกันราคะ ละโทสะละโมหะละมานะละทิฏฐะความปรารถนาเป็นปัจจาาัยแก่ราคะละโทสะละโมหะละมานะละทิฏฐะความปรารถนาโดยอุปนิสัยปัจจัยปานาติบาตเป็นปัจจัยแก่ปานาติบาตโดยอุปนิสัยปัจจัยปานาติบาตเป็นปัจจัยแก่ทินนาทานละกาเมตุมัต มิจฉาจารณ์และมุตสาวาทและปิตุนาวาจาละภรุษวาจาและสัมพปปลาปะและอภิชฌาและพยาบาทละมิจฉาทิฏฐิโดยอุปนิสัยปัจจัยอธินาทานเป็นปัจจัยแก่อธินาทานกาเมสุมิจฉาจารมุตสาวาทนังเล็บยอ่อมิจฉาทิฏฐิ ปานาติบาตโดยปนิสติยปัจจัยในมือเล็บพึงผูกให้เป็นจักรไนกาเมตุมิจฉาจารละมุตสาวาทละปิตุนาวาจาละปุรุสวาจาละสัมผัส ป, ปลาปะละอภิชารละพยาบาทละมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่มิจฉาทิฏฐิโดยอุปนิสติยปัจจัยมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่ปานาติบาตละ อธินนาธานละกาเมตุมิจฉาจาระมุสาวาตละปิสุนนวาจาละผลุสวาจาละสัมผัสปราปละละอภิชาละพยาบาทโดยอุปนิตตยปัจจัยมาตุฆาตตะรามเป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตตะรามโดยอุปนิเตยปัจจัยมาตุฆาตตะรามเป็นปัจจัยแก่ปิตุฆาตตะ ร, รมามอรหันตฆาตตะรามโลหิตตุปบาทกรรักาม สังฆเพศกรรมนิยตมิชฉาทิฐิโดยอุปนิสตยปัจจัยปิตุข้าตกรรมเป็นปัจจัยแก่ปิตุข้าตกรรมอรหันตฆาตตกรรมโลหิตตุปบาทดกรรมสังฆเพศกรรมนิยตมิชขาทิฐิมาตุฆ้าตกรรมโดยอุปนิสตยปัจจัยอรหันตฆาตะกมเป็นปัจจัยแก่อรหันตฆาตะกม โลหิตตุปาบาทกรรมละโลหิตตุปาบาทถกรรมเป็นปัจจัยแก่โลหิตตุปาบาทถกรรมละสังฆเพศกรรมเป็นปัจจัยแก่สังฆเพศกรรมละนิยตมิจฉาทิฐิเป็นปัจจัยแก่นิยตมิจฉาทิฐิโดยอุปนิเตยปัจจัยนิยตมิจฉาทิฐิเป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตถกรรมโดยอุปนิเตยปัจจัยเป็นปัจจัยแก่ปีตุฆาตกรรมละอรหันตฆาตกรรมละปุริฏ โลหิตตุปปาบาทกรรมละสังกเพ ธ, ธกรรมโดยปนิตัยปัจจัยในมึงเล็บพึงทำให้เป็นจักรนายสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยปนิสตยปัจจัยมีอย่างเดียวคือปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยราคาแล้วจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถ์สดทำฌานให้เกิดขึ้น ทำวิปัจนาให้เกิดขึ้นทรรมมักให้เกิดขึ้นธรรมอภิญญาให้เกิดขึ้นธรสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยโทสะโมหะมานะทิฐิความปรารถนาจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถทำฌานให้เกิดขึ้นทำวิปัจนาให้เกิดขึ้นธรมมักให้เกิดขึ้นธรรมอภิญญาให้เกิดขึ้นทรรสมาบัติให้เกิดขึ้น ราคาโทสะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาศีล ส, สุตะจาระปัญญาโดยอุปนิสัยปัจจัยบุคคลฆ่าจัดแล้วประสงค์จะลบล้างปานาติบาตกรรมนั้นจึงให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาโบสดทำฌานให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นทำมรรคให้เกิดขึ้น รรมพิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นปุคคลลักทรัพย์พูดเท็จพูดจอดเสียพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้องัดแงะปล้นไม่ให้เหลือปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ทางเปรี่ยวล่วงเกินภรรยาผู้อื่นฆ่าชาวบ้านฆ่าชาวนิคมประสงค์จะลบล้างกรรมชั่วนั้นจึงให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาโบสดทำฌานให้เกิดขึ้น ทำวิปัจตนาให้เกิดขึ้นทำมรรคให้เกิดขึ้นทำอพิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นข่ามารดาประสงค์จะลบล้างมาตุฆาตกรรมนั้นจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสดข่าบิดาข่าพระอรหันต์มีจิตประทุตร้ายทำพระโลหิตของพระตถาคตให้ห่อ ทำลายสง์ให้แตกกันประสงค์จะลบล้างสังฆเพศกรรมนั้นจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาโสดสตสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอุปนิสตยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสตยะและปกตูปนิสตยะอนันตรูปนิสตยะได้แก่อกุศลเป็นปัจจัยแก่บุตฐานะโดยอุปนิสตยปัจจัย ประตูปณิสิยาได้แก่บุคคลอาศัยราคะแล้วทำตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรนเสวยทุกมีการแสวงหาเป็นมูลอาศัยโทสะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาทำตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรนเสวยทุกมีการแสวงหาเป็นมูลราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่สุขทางกาย ทุกทางกายและผลสมาบัติโดยอุปนิเตยปัจจัยกรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่วิบากโดยอุปนิเตยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตโดยอุปนิเตยปัจจัยมีสมอย่างคืออารัมมณูปนิเตยอนันตรูปนิเตยและปกตูปนิเตย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 เกิดหลังโดยอุปนิสติยปัจจัยผวังขจิตเป็นปัจจัยแก่อวัชนัจิตกิริยาเป็นปัจจัยแก่วุธธานาะอนุโลมของพระอาหารหันต์เป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนากิริยาของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอุปนิสติยปัจจัย ประตูปณิเตยได้แก่สุขทางกายเป็นปันจจัยแก่สุขทางกายทุกทางกายและผลธรรมบัติโดยปณิเตยปัจจัยทุกทางกายเป็นปันจจัยแก่สุขทางกายทุกทางกายและผลธรรมบัติโดย <t ans> ปณิเตยปัจจัยอุตุเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายทุกทางกายและผลธรรมบัติโดยอุปณิเตยปัจจัยโภชนะเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายทุกทาง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 เห็นแจ้งสังขารโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอุปนิสติยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปนิสติยอนันตรูปนิสตยและปกตูปนิสติยะอารัมมณูปนิสติยได้แก่พระเสขะพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณานิพาให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น นิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานและมักโดยอุปนิสติยปัจจัยอนันตรูปนิสติยะได้แก่อวัชนัจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นกุศลโดยอุปนิสติยปัจจัยปกตูปนิสติยะได้แก่บุคคลอาศัยถูกทางกายแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสดทำฌานให้เกิดขึ้น ทำวิปัสนาให้เกิดขึ้นทำมัคให้เกิดขึ้นทำมัพิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัตให้เกิดขึ้นอาศัยทุกทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะแล้วจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถทำฌานให้เกิดขึ้นทำวิปัสนาให้เกิดขึ้นทำมัคให้เกิดขึ้นทำมัพิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัตให้เกิดขึ้นสุขทางกาย ทุกทางกายอุตตุโภชนะเสนาสะนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาศีลสุตะจาระปัญญาโดยอุปนิสตยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอุปนิสตยปัจจัยมีสมอย่างคืออรมาโนปนิสตยอนันตรูปนิสตยและปกตูปนิสตย อารามณูปนิสติยะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินจากสุนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นปรากฏจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินโสตะคานะชิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสโหตพะหาทัยวัตถุ ขันที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอภยากตากิริยาให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินโสตะเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฐิจึงเกิดขึ้นอนันตรูปนิสยะได้แก่อวัชนาจิตเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นอกุศลโดยอุปนิสยปัจจัยปกตูปนิสยะได้แก่บุคคลอาศัยสุขทางกายแล้วฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้องัดแงะปล้นไม่ให้เหลือปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ทางเปลียวล่วงเกินภรรยาผู้อื่นฆ่าชาวบ้านฆ่าชาวนิคมฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์มีจิตประทุษร้ายทำพระโลหิตของพระตถาคตให้ห่อทำลายสงฆ์ให้แตกกันอาศัยทุกทางกายอุตุ โภชนะเสนาสนะแล้วฆ่าสัตว์มุงเล็บย่อทำลายสง์ให้แตกกันสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาโดยอุปนิสัยปัจจัย ปุเรชาตปัจจัย4ี่ยยีสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิตโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่พระอรหันต์เห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแจ้งโสตคานะชิวหากาย รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะหัตถ a วัตถุโดยเป็นตภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณโดยปุเรชาตปัจจัยสัทธายตนะเป็นปัจัยแกโสตวิญญาณคันทายตนะเป็นปัจจัยแก่ขานวิญญาณ ร Hill ัสายตนาเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณโพธพายตนาเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาตปัจจัยวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักหายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณโดยปุเรชาตปัจจัยโสตายตนาเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณคานายตนาเป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณชิวหายตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณกายายตนา เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาตปัจจัยหัตถวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอภยยากตวิบากและที่เป็นอภยยากตกิริยาโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤริเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตและวัตถุปุเรชาต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 วัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นกุศลโดยปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารามณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารามณปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสูราะประรบความยินดีเพลิดเพลินจากสูรนั้น ราคะจ za, ึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฌาจึงเกิดขึ้นอุทธะจึงเกิดขึ้นโทมานต์จึงเกิดขึ้นยินดีเพลิดเพลินโสตะคานะชิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอหไทยวัตถุเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินโสตะเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฌาจึงเกิดขึ้นอุทธะจึงเกิดขึ้นโทมานต์จึงเกิดขึ้น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 สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤษโดยปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลทึ่เกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอพยกฤตโดยปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอพยกตวิบากและที่เป็นอพยกตกิริยา ซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัยอาเสวณปัจจัย426สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอาเสวณปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลทึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นกุศลทึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอาเสวณปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรรพู อนุโลมเป็นป pues ัจจัยแก่โวทานโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอาเสวนาปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอาเสวนาปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลทึงเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลทึงเกิดหลังเกิดหลังโดยอาเสวนาปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอพยกฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอพยการตกริยาซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอพยการตกริยาซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอาเสวนปัจจัยกรรมปัจจัย4ี่ยสเจสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยกรรมปัจจัย ได้แก่เจตนาที่เป็ น, น, ปนปจจกุศล เ, เป็นปัจจัยแก่สำประยุทธ์ตะขันโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานารูปโดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะ ได้แก่เจตนาที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภิยากฤตโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสัมมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยกรรมปัจจัย ได้แก่เจตนาที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สำประยุติขันโดยกรรมมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตโดยกรรมมปัจจัยมีสองอย่างค anyway. ือสหัชตะและนานาคณิกะสหัชตะได้แก่เจตนาที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมมปัจจัย นานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากและกัตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอพยกฤตโดยกรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขัน์และจิตตสมุทนานารูปโดยกรรมปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยกรรมปัจจัยแต่แก่เจตนาที ón, ่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอภิยากตกิริยาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะเจตนาที่เป็นอภิยากตวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันและกัตตารูปโดยกรรมปัจจัย เจตนาเป็นปัจจัยแก่หาไทยวัตถุโดยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัย428สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยวิปากปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานารูปโดยวิปากปัจจัย ขันสเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งและจิตตสมุทฐานารูปโดยวิปากัปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและจิตตสมุทฐานารูปโดยวิปากัปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่เป็นอพยากตวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันสาและกาตตารูปโดยวิปากัปัจจัยขันสเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งและกาตตารูปโดยวิปากัปัจจัย ขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและกระตาตารูปโดยวิปากัปัจจัยขันเป็นปัจจัยแก่หาตถ์วัตถุโดยวิปากัปัจจัยอาหารปัจจัย429สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยอาหารปัจจัย สภาวธรรมที่เป like <play> like <sh> <sh> ็นก no so. ุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอพยากฤิโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอาหารปัจจัย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 เป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธ์ตขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอาหารปัจจัยในปฏิสนธิคณะอาหารที่เป็นอัพยกตวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทตะขันและกตัตตารูปโดยอาหารปัจจัยกวลิงการาหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอาหารปัจจัย